บทที่ส2หลวงทาราบ้านหลวงทาราเป็นเรือนแฝดสามหลังติด ก, กันตั้งอยู่ริมคลองบางแวกชาวบ้านแถวนั้นพากันเรียกว่าบ้านสามกระได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 มาเห็นก็กวีกะวาดเข้ามาช่วยยกของคุณพองมาจากเมืองสิงห์หรือเจ้าคะทำไมไม่ส่งหนังสือล่วงหน้ามาก่อนคุณท่านจะได้ให้คนเอาเรือไปรับแม่วาดซึ่งเป็นพี่เลี้ยงของทิดพองทักทายพวกที่เป็นสาวรุ่นรุ่นพากันมองเมียงมายังหนุ่มน้อยคุณพ่ออยู่ไหนจะแม่วาดบุตรชายหลวงธาราถามบิดา คุณท่านไปเดินเล่นในสวนกับคุณหญิงเจ้าค่ะแม่วาดรายงานถ้าเช่นนั้นฉันจะไปหาท่านแม่วาดช่วยขนของไปไว้ที่ห้องฉันด้วยอ๋อนี่ลูกชายฉันหนูว่ายแม่วาดเขาสิสิเขาเคยเป็นพี่เลี้ยงของพ่อนุมน้อยยกมือว่าหญิงสูงอายุตามที่บิดาสัง่งเขาชื่อคุณจเจริญจะมาเรียนหนังสือที่บางกอก ไม่ว่าช่วยดูแลเขาด้วยนะจ๊ะได้เลยเจ้าค่ะคงอายุรุ่นราวคราวเดียวกับคุณประพจนะเจ้าคะ่ะคุณพองจำคุณประพ์ลูกชายคุณสายใจได้ไหมเจ้าคะหล่อนหมายถึงพี่สาวของทิศพองได้สิฉันเคยเห็นตั้งแต่เขายังเป็นเด็กป่านี้คงโตเป็นหนุ่มแล้วใช่ไหมก็คงจะพอๆกับคุณเจริญนี่ล่ละเจ้าค่ะ คุณประพน์เธอคงดีใจที่จะมีเพื่อนผู้ชายมาอยู่ด้วยบ้านนี้มีแต่ผู้หญิงจนเธอบ่นอยู่บ่อยๆว่าอยากชวนเพื่อนผู้ชายมาอยู่แต่คุณหลวงท่านไม่เห็นดีเห็นงามด้วยส่วนคุณหญิงท่านไม่ว่ากระไรเพราะรักและก็ตามใจกันมาตั้งแต่เด็กๆคำพูดของแม่วาดทำให้หนุ่มน้อยคิดถึงยายคุณหญิงซึ่งเป็นย่าของเขา และจะรักหลานชายเหมือนที่ยายรักเขาแต่ไม่รู้ว่าคุณประพจน์เธอจะดื้อกับคุณหญิงเหมือนที่เขาดื้อกับยายหรือเปล่าและพ่อประพจน์ไปไหนซิละ่ะทิศพองถามหาหลานชายประโรงเรียนเจ้าค่ะเธอเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบสอบเข้าได้เองโดยไม่ต้องให้คุณท่านฝากเธอเรียนเก่งมากเจ้าค่ะปีนี้ขึ้นมัธยมห้าแล้วอ้อ แล้วคุณพี่สายใจล่ะอยู่ไหนเขาถามหาพี่สาวเตรียมอาหารอยู่ในครัวนะเจ้าค่ะตั้งแต่คุณเปลี่ยมไปอยู่กับภรรยาคนใหม่คุณสายใจเธอเงียบลงไปมากไม่ค่อยพูดกับใครตอนแรกๆแทจะทำใจไม่ได้คุณท่านต้องเตือนให้เอาทางพระเข้าคงแล้วคุณสายจิตล่ะเป็นยังไงบ้างคราวนี้ก็ถามถึงน้องสาวคงสบายดีเจ้าค่ะ เธอมีลูกสาวห้าคนฝากคุณตาคุณยายเลี้ยงไว้ส่วนตัวเธอไปอยู่หัวเมืองกับสามีนานๆจะกลับมาเยี่ยมลูกสักครั้งลูกสาวเธอไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือแล้วก็ไม่ค่อยจะกินเส้นกับคุณประพร์สักเท่าไหร่พวกเธอเรียนอยู่โรงเรียนราชนีปากคลองตลาดเจ้าค่ะเอาละ่ะฉันยืนพูดกับแม่วาดมานานแล้ว จะขอไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่ในสวนละนะเชิญเจ้าค่ะเชิญเดี๋ยวจะได้มารับไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันคุณสายใจเธอเป็นคนปรุงนะเจ้าค่ะดิฉันและเด็กๆคอยเป็นลูกมือไปหนูไปกราบคุณปู่คุณย่า ก, กันเขาเรียกลูกนมเจริญสงสัยนักว่าเฮไดบิดาจึงเรียกเขาว่าหนูแทนที่จะเป็นไอ้หนู เหมือนตอนที่อยู่บ้านนอกอยากจะถามหากไม่กล้าหลวงทารากับคุณหญิงห่วงกำลังเดินดูต้นไม้อย่างเพลิดเพลินเห็นคนสองคนเดินเข้ามาคุณหญิงจึงถามขึ้นว่าคุณหลวงนั่นใครเดินมาหนะนั่นคงไม่ใช่ผู้ร้ายหรอกนะคุณหลวงวัยเก้าสิบเพ่งมองไปข้างหน้าบอกภรรยาว่า ท่าทางคงไม่ใช่ผู้ร้ายที่ไหนจะเข้ามาในสวนของเราถึงว่าสิหรือว่าจะเป็นพ่อประพจน์ของยายพ่อประพจน์มาพาเพื่อนมากระมังคงไม่ใช่หรอกคุณหญิงท่าทางสองคนนั้นจะเป็นพ่อลูกกันหรือว่าพ่อเปี่ยมเขาเกิดมาเยี่ยมลูกเยี่ยมเมียคุณหญิงห่วงคิดว่าคงเป็นบุตรเขยมากับหลานชาย ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีสินะแม่สายใจจะได้หายโศกสเศร้าเสียทีคุณหลวงรู้สึกสงสารบุตรสาวที่ถูกสามีทอดทิ้งไปอยู่กับภรรยาน้อยครั้นสองพ่อลูกเดินมาถึงก็ก้มลงกราบที่เท้าของคุณหลวงกับคุณหญิงผู้ซึ่งดีใจจนน้ำตาไหลพ่อพองห ร, อหรือพ่อคุณของแม่ หายหน้าหายตาไปเลยแลนี่ใครกันละ่ะคุณหญิงห่วงถามตั้งแต่ไปอยู่บ้านนอกบุตรชายเคยลงมาเยี่ยมสองครั้งแล้วก็มาคนเดียวลูกชายผมเองครับชื่อเจริญหลานปูคุณหลวงรูปศรีรษะหลานอย่างรักใคร่คุณหญิงจึงชวนบ้าเข้าไปคุยกันในบ้านเถอะ แดดจ้าแล้วคนทั้งสี่พากันเดินกลับเข้ามาในเรือนหลังใหญ่สนทนาปราศายไต่าถามสารทุกสุกดิบกันจนเป็นที่พอใจแล้วทิดพองจึงพูดขึ้นว่าผมจะเอาลูกมาฝากเรียนหนังสือที่บางกอกพรุ่งนี้จะไปสมัครสอบที่โรงเรียนสวนกุหลาบดีลูกพ่อรู้จักกับอาจารย์ใหญ่เขาเคยมาเรียนดนตรีไทยกับพ่อ ถ้าอย่างไงพ่อจะเขียนหนังสือฝากไปด้วยคงไม่ต้องกระมังครับหากไม่ได้เรียนที่นั่นกระผมก็จะให้เข้าวัดนวนเพราะว่าใกล้บ้านดีอยู่สวนกุหลาบนั่นแหละจะได้เป็นเพื่อนกับพ่อประพ์คุณหญิงห่วงพูดขึ้นถึงอย่างไรท่านก็รู้สึกรักหลานยายมากกว่าส่วนหลานย่านั้นท่านยังไม่ค่อยเคยคุ้น หน้าตาลูกสะ้ายท่านก็ยังไม่เคยเห็นตอนลูกชายแต่งงานก็มีแต่คุณหลวงไปส่วนคุญิงไม่ชอบเดินทางได้กลัวความลำบากและที่สำคัญกว่านั้นก็คือท่านไม่เห็นด้วยที่บุตรชายจะไปแต่งงานกับผู้หญิงบ้านนอกท่านเคยคิดจะตัดลูกตัดแม่ครั้นเห็นหน้าลูกหน้าหลานกลับใจอ่อนแต่ทึงงย่างไง เราก็ไม่จะไม่รักพ่อคนนี้เท่ากับพ่อประพศกของเราคุณหญิงห่วงบอกตัวเองผมเกรงว่าจะสอบเข้าไม่ได้ครับทิศพองเรียนตามตรงต้องได้สิหลานหลวงทาราสอบไม่ได้ก็อายข้อแย่คุณหญิงห่วงว่าแท้จริงความรู้สึกสองอย่างกำลังต่อสู้กันใจหนึ่งอยากรักหลานย่าให้เท่ากับหลานยาย แต่ใจก็ยังระแวงสงสัยหลานยายนะหลานข้าหลานย่านะสิยังไม่รู้ว่าหลานใครนมน้อยรู้สึกร้อนๆเนหนาวนาวพอจะอ่านสายตาของผู้เป็นย่าออกจึงท่องคาถาเมตตามหานิยมที่ยายให้มาเมตตเมตตันจะสัมพโลกัสมิงมานะสัมภาวะเย อาปาริมานังพลางนึกในใจว่าคาถานี้ยายบอกแม้แต่หมากับผียังรักคุณย่าไม่รักก็ให้รู้ไปสิอายุเท่าไรแล้วพอเจริญคุณหญิงห่วงถามสิบห ย่างสิบเจ็ดครับเอออายุเท่ากับพ่อประพ์แล้วเรียนชั้นไหนจ๊ะมัธยมสี่ครับมัธยมสามมาจากบ้านนอกเรียนช้ากว่าพ่อประพ์รายนั้นก็อยู่มัธยมห้าถ้าผมไม่สอบตกผมก็อยู่มัธยมห้าเหมือนกันครับหนุ่มน้อยตอบซื่อทำไมถึงสอบตกละ่ะแสดงว่าขี้เกียจหรือไม่ก็ ปัญญาไม่ดีคุณหญิงอย่าไปว่าหลานอย่างนั้นสิหลวงทาราปรามภรยาดิฉันไม่ได้ว่าเพียงแต่ถามดูหรือว่าคาถาสูตรนี้ไม่คลังเดี๋ยวขอลองอีกทีหนุ่มเจริญนึกในใจพลางท่องกรณียะเมตสูตรซึ่งจำได้แค่สองบรรทัดผมต้องช่วยคุณยายทำงานครับ ผมไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่รู้สึกขัดเขินที่ต้องเรียกคุณยายและคุณพ่อคุณแม่เมื่อคนบางกอกเขานิยมอย่างนี้ก็ต้องพูดอย่างนี้คุณยายเข้ามาขอไปเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆครับทิดพองบอกมารดาถ้าเช่นนั้นพ่อเจริญก็รักยายมากนะสิครับผมรักคุณยายมากรักเท่าๆกับคุณยา่าได้ผลเพราะคุณหญิงห่วงยิ้มแป้น รูปศิรษะหลานชายพรางว่าโถ่พ่อคุณของยา่าช่างฉลาดพูดแล้วเกินนี่ถ้าอยู่กับย่าไปนานๆอาจจะรักย่ามากกว่ายายก็ได้นะจ๊ะเมินซชาติหนึ่งนมน้อยพูดในใจแต่ปากกลับว่าผมก็คิดอย่างนั้นคุณย่าสวยกว่าคุณยายตั้งแยะรูปร่างก็สวยพูดจาก็ไพเราะ คุณยายอ้วนตุตะและก็ชอบดุผมเรื่อยพูดไปแล้วก็แอบขอเข้ามาในใจว่ายายครับโปรดอโหสิกรรมให้ผมด้วยผมจำเป็นต้องเอาตัวรอดถึงได้โป้ปดมดเท็ดถ้าคุณย่าห่วงไม่รักผมผมก็คงอยู่ที่นี่ไม่ได้แต่ถึงอย่างไรผมก็จะไม่รักใครมากไปกว่ายายของผม พูดเก่งจริงๆหลานยา่าดูซิอายุเท่านี้ยังฉลาดถึงปานนี้ถ้าทางจะฉลาดหลักแหลมกว่าพ่อประพน์อีกนะหรือคุณหลวงว่ายังไงท่านถามความเห็นสามีคุณหลวงได้แต่ยิ้มข้าหนุ่มเจริญแอบนึกในใจว่าคาถาของพระพุทธเจ้าเริ่มทางานแล้วยายเราฉลาดรอบคอบเหลือเกินที่ให้คาถานี้มา คุณพ่อครับผมยังไม่ได้ไปกราบพี่สายใจเลยป่านนี้เธอคงรู้จากแม่วาดแล้วว่าผมมาหนูไปกราบคุณป้า ก, กันคุณหญิงจึงว่าไปเลยลูกไปฝากเนื้อฝากตัวกับป้าเขาเสียเขาจะได้ทำกับข้าวอะไรอร่อยให้กินจะได้อ้วนขึ้นมาอีกสักนิดหนุ่มน้อยจึงเดินท่องคาถาไปตลอดทางกระทั่งถึงครัว เขาทำให้คุณย่ารักได้แล้วคราวนี้จะทำให้คุณป้ารักสองพ่อลูกเข้าไปไหว้คุณสายใจซึ่งกำลังเตรียมอาหารอยู่ในครัวเห็นหน้าหลานชายคุณสายใจนึกรักขึ้นทันทีจึงพูดขึ้นว่าพี่ทราบจากแม่วาดแล้วว่าเธอพาลูกมาแต่ไม่ได้ออกไปต้อนรับเพราะกำลังยุ่มคงไม่ว่ากันนะ ใครจะไปกล้าว่าพี่ล่ะครับว่าแต่ว่าผมขอฝากหลานด้วยจะให้เรียนหนังสืออยู่ที่บางก อ, อกนี่ก็ดีนะสิพ่อประพจน์ของพี่จะได้มีเพื่อนบ้านนี้มีแต่สาวๆก็ลูกของแม่สายจิตเขานั่นแหละมีเข้าไปได้ตั้งห้าคนไม่ค่อยจะกินเส้นกับพ่อประพจน์สักเท่าไหร่เขาเคยขออนุญาตคุณตาจะเอาเพื่อนผู้ชายมาอยู่ด้วย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 พ่อประพศของป้าสิอีกที่ทำอะไรไม่เป็นเอาเสียเลยแต่เธอก็เรียนเก่งนี่ครับได้ยินแม่วาดพูดว่าเธอเรียนเก่งมากทีเดียวส่วนผมสอบตกซ้ำชั้นที่จริงก็ต้องเรียนมัธยมห้าเหมือนคุณประพศแต่สอบตกเลยต้องอยู่มัธยมสี่หนุ่มน้อยแซงพูดถ่อมตัวซึ่งคงจะดีกว่าการพูดยกตนข่มท่าน คนเราก็อย่างนี้แหละหลานเอ้ยมีดีบ้างไม่ดีบ้างไม่มีใครหรอกที่จะดีไปหมดเสียทุกอย่างเช่นเดียวกับที่ไม่มีใครที่จะเลวไปหมดเสียทุกอย่างจริงไหมจริงครับคุณป้าข้อสำคัญคือถ้าเรารู้ว่าไม่ดีตรงไหนก็ต้องยอมรับแล้วก็พยายามแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นเรียกว่าต้องหมั่นพิจารณา สำรวจตรวจสอบตัวเองอย่างผมเนี่ยรู้ตัวว่าเรียนไม่เก่งก็ต้องเอาใจใส่เรื่องการเรียนเป็นพิเศษถูกต้องที่สุดแม้เธอเลี้ยงลูกได้เยี่ยมจริงๆคุณสายใจชมมาถึงทิพพองครั้นฉุกคิดได้ว่าสามีของเธอไม่ได้เป็นเช่นนี้ใจก็ห่อเหี่ยวหดหู ทิด พ, พองพอจะรู้ความในใจของพี่สาวจึงพูดออกตัวว่าผมไม่ได้เลี้ยงเองหรอกครับคุณพี่ผู้ชายเขาไม่ค่อยถนัดกับหน้าที่นี้หนูเขาดีได้ก็เพราะยายเขาเลี้ยงตังหากผมว่าผู้หญิงเลี้ยงลูกได้ดีกว่าผู้ชายนะเอาละพี่คุยกับหลานไปก่อนผมขอตัวละจะไปอาบน้าล้างหน้าให้ชื่นใจหน่อย แล้วพ่อเจริญอาบน้ำล้างหน้าหรือยังละ่ะป้าว่าไปเตรียมรับประทานอาหารกลางวันดีกว่าวันหลังค่อยคุยต่อวันนี้หนูคงเหนื่อยแย่เดินทางข้ามวันข้ามคืนอย่างเนี้ยหนุ่มน้อยจึงได้โอกาสลุกตามบิดาไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ารับประทานอาหารกลางวันกันแล้วสองพ่อลูกก็ได้พักผ่อนภายในห้องส่วนตัวของทิดพอง ซึ่งกำลังจะ ก, กลายเป็นห้องส่วนตัวของหนุ่มเจริญหนุน่มน้อยหลับสนิทด้วยอดนอนมาทั้งคืนครั้นตื่นขึ้นในตอนเย็นก็ต้องแปลกใจเมื่อบ้านดูคึกคักไม่เงียบเงาเหมือนตอนกลางวันคุณประพ์กลับจากโรงเรียน ได้ทราบจากมารดาและบ่าวไพร่ว่าจะมีคนมาอยู่ด้วยก็ดีใจนักหนาคอยรำรำมองมองอยู่แถวหน้าประตูห้องของน้าชายข้างพวกสาวๆทั้งห้าก็เป็นนักเรียนราชินีพากาลิงโลดที่จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นคุณสายจิตมีลูกสาวห้าคนคนโตอายุ16คนที่สองสคนที่สามและที่สี่ เป็นคู่แฝดอายุ13และคนเล็กอายุ12ทันทีที่เปิดประตูห้องออกมาหนุ่มเจริญก็ได้พบกับคุณประพศซึ่งคอยเฝ้าดูอยู่พวกสาวๆก็มายืนหน้าสลอนคอยทักทายสวัสดีครับคุณเจริญพอคุณประพศพูดจบพวกสาวๆก็ประสานมือขึ้นพร้อมกันว่าสวัสดีค่ะคุณเจริญ หนุ่มน้อยยิ้มให้คนทั้งหกคุณประพ์หันไปทำตาเขียวใส่แม่สาวน้อยทั้งห้าเรื่องอะไรมาเลียนปากผมจะไปไหนก็ไปเถอะไปผมจะคุยกับคุณเจริญพวกเราไม่ได้เลียนปากคุณแต่พวกเราอยากคุยกับคุณเจริญเหมือนกันนางสาวสายแก้วพี่สาวคนโตเถียงแทนน้องๆแต่คุณเจริญเขาคงไม่ชอบคุยกับผู้หญิงหรอก ผมเองยังไม่ชอบพบผู้หญิงเรื่องมากจริงไหมครับคุณเจริญนุ่มน้อยอยากจะรับรองคำพูดนั้นเขาเข้าใจคุณประพศด้วยตัวเขามีพี่สาวถึงเกคนแต่แล้วก็พูดได้เพียงว่าผมมีพี่สาวเก้าคนแล้วก็มีเพื่อนหญิงอีกเกือบ20สิบเลยออกจากคุ้นคุ้นอาหารมื้อเย็นขาดทิพย์พองไปคนเดียว เพราะเขาถือศีลแปดคนอื่นๆนอกนั้นต่างรับประทานกันอย่างอร็ดอร่อยคุณหลวงและคุณหญิงมีความสุขกว่าทุกวันวันนี้มีทั้งหลานปู่หลานตาหลานย่าหลานยายหนุ่มเจริญรู้สึกเอ็นดูคุณประพ์มากกว่าห้าพี่น้องเพราะเห็นว่าเธอขาดความอบอุ่นจากบิดาตัวเขาคงจะอยู่ในบ้านนี้ได้อย่างมีความสุข จะทุกข์อยู่เรื่องเดียวเท่านั้นคือคิดถึงยายตอนนี้ยายคงคิดถึงเขาเช่นกันก่อนนอนคืนนั้นหนุ่มเจริญได้ขอให้บิดาจดกรณญยาเมตสูตรให้และทิพพองก็ได้เล่าประวัติความเป็นมาของสูตรนี้ตามที่ได้รับมอบหมายจากแม่ยายเพียงแต่ไม่ได้เล่าเรื่องในเรือแดงเท่านั้นเพราะเวลาและโอกาสไม่อำนวย เมื่อเล่าจบทิพพองก็พาลูกไหว้พระสวดมนต์โดยเริ่มตั้งแต่พุทธคุณไปจนจบกรณียเมตรสูตรและต่างก็ช่วยกันแผ่เมตตาไปให้กับอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสวนกุหลาบด้วยว่าพรุ่งนี้เขาทั้งสองจะต้องไปพบนุ่มน้อยออกจะเชื่อ ว, ว่าคถาของพระพุทธเจ้าที่ยายให้มานั้นขลังจริงวันพรุ่งนี้เขาจะได้พิสูจน์อีกครั้ง หลวงธารามีเรือส่วนตัวสำหรับรับส่งหลานๆไปเรียนหนังสือมีคนขับที่ให้ค่าจ้างเป็นรายเดือนหลังอาหารเช้าพวกเด็กๆวัยรุ่นจะพากันไปโรงเรียนทิศพองกับ น, นนเจริญก็มากับเรือด้วยน้าต้องไปรับเพื่อนคุณเจริญก่อนทิศพองบอกคุณประพ์เมื่อเดินมาถึงหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบ คุณประพ์จึงเดินเข้าไปในโรงเรียนแต่ผู้เดียวส่วนสาวน้อยทั้งห้าแยกกันตั้งแต่ขึ้นจากเรือเพราะโรงเรียนราชินีอยู่ติดกับท่าเรือนั่นเองกรณียเมตสูตรที่ยายกำชับให้ท่องนั้นช่างมีอนุภาพเกินกว่าพันน า, นาด้วยว่าเมื่อคนทั้งสามพบอาจารย์ใหญ่ท่านก็แจ้งว่าทางโรงเรียนได้ผ่านการสอบคัดเลือกไปเรียบร้อยแล้ว และก็เปิดเรียนมาหนึ่งสัปดาห์แล้วบังเอิญเมื่อสองวันก่อนนักเรียนคนหนึ่งเกิดจมน้ำตายเพราะลงไปเล่นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและเป็นตะคริวไหว้เข้าฝั่งไม่ได้จึงมีที่ว่างที่หนึ่งสำหรับหนุ่มเจริญจรุนรัตซึ่งพออาจารย์ใหญ่เห็นนามสกุลและรู้ว่าเป็นหลานสาวครูบาอาจารย์ตนจึงยินดีรับไว้ ส่วนหนุ่มกันเชียงนั้นไม่มีที่ว่างแล้วพักอยู่ที่ไหนอาจารย์ใหญ่ถามหนุ่มกันเชียงอยู่วัดสเกดครับอยู่กับพระซึ่งเป็นญาติกับคุณพ่อผมพระรูปนั้นท่านชื่ออะไรพระมหาแพลวครับอ้อเธอเป็นหลานมหาแพลวหรอกฤรพอดีทางโรงเรียนกำลังจะมีหนังสือไปนิมนต์ท่านมาช่วยสอนวิชาศิลธรรม ทางเราได้ยินกิติศัพท์มาว่าท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเช่นนั้นเห็นจะต้องรับเธอเข้าไว้เรียนที่นี่ท่านจะได้ไม่กล้าปฏิเสธได้ยินอาจารย์ใหญ่พูดทั้งทิศพองและลูกชายต่างคิดตรงกันว่ากรณียาเมตสูตรช่างศักดิ์สิทธิ์แท้